มาสการประคุณเจ้าที่กรลบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่จัดงานครอบครัวเดียวกันที่ชื่อว่าธรรมะในสวนบ้านบางจากแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาท่วมกิจกรรม ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็รู้สึกอินดีนะที่ได้มีโอกาสมาในสถานที่ที่สปายยะมากในการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมมันก็ทําให้ทำแล้วให้เรามีเนี้ยคิดมีมุมมองเกี่ยกวกับเรื่องธรรมะมากยินขึ้น เพราะว่าก็ไม่ได้คิดนะว่าที่บริษัทบางจากน้ำมันบางจากกลองกลัดน้ำมันบางจากเนี่ยจะมีกิจกรรมการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมยอยู่เสมอเสมอและยิ่งเห็นชื่อป้ายครอบครัวเดียวกันคนก็รู้สึกอบอุ่นนะเนี่ย ขนาดมาในที่นี้ผมว่าผมอากาศเย็นผมหนาวนะแต่ดูชื่อครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันก็หายหนาวได้เหมือนกันวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวเรื่องการเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ทุกคนโชคดีที่ว่าเมื่อก่อนรายการนี้ก็มี พระคุณเจ้าได้เมตตาสอนวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพราะเป็นการเปิดงานได้ดีมากอันจริงที่พระคุณเจ้าสอนนี่มันก็ควรจะจบแหละผมไม่ต้องพูดก็ได้มากเนี่ยเพราะว่าพูดเรื่องเดียวกันก็ถือว่าการ เสติก็คือการปฏิบัติธรรมนะเคยเคยมีคำถามว่าทําไมจึงต้องปฏิบัติธรรมสงสัยไหมทาไมจึงต้องปฏิบัติธรรมมันเป็นคำถามที่ที่น่าที่หาคำตอบนะเพรบางท่านก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไปทำไม เขาทำกันแล้วก็ทำบ้างเขาเรียกปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบเรียกปฏิบัติธรรมบ้างเหมือนว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรพราพอเขาถามผมว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมผมก็ย้อนถามกลับไปให้เป็นแนวคิดว่าแล้วทำไมจึงต้อง เราจรึงต้องมีความทุกข์ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำไม เ, เราก็ต้องย้อนถามว่าทำไมเราจรึงต้องเป็นทุกข์และเราเป็นทุกข์ไปทำไมกนมันก็เป็นคำตอบการปฏิบัติธรรมเนี่ยป้าหมายสูงสุดก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองซึ่งมันเกี่ยวกับ ตัวเราทุกคนเลยที่เกิดมาในโลกนี้ก็มุ่งแสวงหาความพ้นทุกข์ส่วนเรื่องความสุขนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะเมื่อจิตใจเราพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นเองที่สุดแห่งความทุกข์นั่นคือถ้าเกิดความไม่ทุกข์นั่นแหละไม่ทุกข์ก็คือ ก็ภาษาสมมติว่าเป็นสุขหนาเป็นสุขกันนะที่สุดอย่างกองทุกข์ก็คือนิพพา น, นก็คือไม่ทุกข์ก็มันมีปัญหาอย่างนี้แนหะชีวิตเราเไม่ทุกข์ทางด้านร่างกายก็ทุกข์ทางด้านจิตใจบางทีกายก็ไม่ทุกข์แต่ใจเนี่ยเป็นทุกข์ได้ เพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นเรื่องสังคมเรื่องของภัยพิบัติเศรษฐกิจการเมืองการทหารมีหลายอย่างนะที่จริงมันเป็นสิ่งที่นอกตัวเราแต่เราสามารถที่จะเอามาทำให้เราเกิดความทุกข์ทางใจได้เห็นไมบางคนสบายๆดีอยู่นะ กายก็ดีใจก็ดีออ่ก็ยังแสวงหาความทุกข์ที่อยู่นอกตัวเอามาใส่จิตใจเราเหมือนกับเราไม่มีเครื่องอยู่อย่างนั้นคือคนเรามันแปลกนะจะต้องหาเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งให้มันเป็นทุกข์ให้จนได้ไม่งั้นมันจิตใจมันจะเหงาจะว่างเปล่ามันจะไม่มีอม่เลยไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรเร้าจิตเร้อนใจเคยไหม บางทีเราสบายสบายดีอยู่เนี่ยสักพักเดีย่ยได้ใจเราก็คิดแหละหาเรื่องทุกสายใจไม่ทุกเรื่องตัวเราก็เอาคนข้า ง, างๆนาะงคนข้างๆตัวเราเขาไม่น่ามาว่าเราเลยเขาไม่ยุติธรรมกับเราเขาทําอย่างนั้นได้ยังไงเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้นะคำว่าเขาเนี่ยมันมันแหลมนะเขานี่มันก็ทิ่มแทงใจเราเขาอยู่ข้างนอกแต่ว่า เขาไม่รู้เรื่องเลยนะแต่มันทิมแทงใจเราให้เจ็บําเนี่ยเพราะไอ้เขาเนี่ยไอ้เขาเดียวเพราะว่าเขาคู่เนี่ยโอ้ยง <c oughs> ั้นอย่าไปโทษเขาโทษเราเนี่ยแหละแปลวาเขามาทิมใจเรา <c oughs> แล้วก็บอกเนี่ยคือเครื่องอยู่แล้วคนเราก็แปลกนะเครื่องอยู่ของคนเรานเนี่ยจะเอาเป็นความสุขก็ไม่ได้นะเร้วก็เรื่องที่มันเจ็บท่าน้ำใจคิดแล้วน่างนาเศร้า <c oughs> นั่นะทุกทาตุร่างกายก็มาพอสมควรแล้วความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหนีพ้นทุกทธานจิตใจแม้เราไม่แสวงหามันจากข้างนอกมันก็ทุกอยู่แล้วในจิตใจเราคิด น, นึกขึ้นมาเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทุกภายนอกที่เกิดจากสิ่งมลล้อมรอบตัวเรา คนเราเเกิดขึ้นมาอยู่ในกองทุบแบบนี้เพราะว่าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอาศัยการปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ปัญหาท่าด้านรรจิตใจเราปัญหากายปัญหาจิตปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่แหละบรรุมแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไม่ไม่มีอุบายที่จะออกจากปัญหาเหล่านี้ได้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการมารู้จักโลกแล้วก็ชีวิตตามความเป็นจริงรู้จักตัวเราตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตนเองเป็นการทำบุญให้กับตนเองเราเคยทำบุญจากนอกตัวเรามามากแล้ว ทำบุญกับพระทำบุญที่วัดและก็บุคคลอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ลืมทำบุญให้กับจิตใจเราทําข้างนอกดีใจเราก็ยังยังไม่มีความสุขยังไม่เข้าถึงบุญส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติที่ตัวเราทําบุญให้กับตัวเราเพราะว่าบุญที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจข้างนอก เราจะถวายเหตุปัจจัยต่างๆพระตาหารหรือปัจจัยเป็นเงินเป็นทองให้กับพระคุณเจ้าแต่ถ้าใจเราไม่มีปีติไม่มีความสุขต ร, ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นบุญของบางอย่างที่เราไปให้คนอื่นเนี่ยของนั้นมีคุณค่ามีราคามากให้เขาแต่ใจเราอย่างเศร้าหมองอยู่<ม>เขาจะใช้ของเรา<อ>ไหม เนี่ยเราสาหามาราคาแพงๆของที่ให้ราคาแพงแต่ใจเราไม่ยินดีในการให้มีความสงสัยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บุญไม่ได้มีความสุขกับของที่ให้เลยส่วนของที่ให้คนอื่นเขาเป็นของเล็กๆ น, น้อยๆราคาถูกๆดูแล้วแม้ค่อมีคุณค่าแต่ใจที่คิดจะให้เนี่ยเป็น สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งของที่เราให้ด้ยซ้าไปเนี่ยการทำใจเป็นบุญง่ายๆแต่จะคิดวางใจให้ถูกต้องอย่างนี้ได้นั้นจะต้องมีสติสติจะสามารถพลิกจิตใจเราเนี่ยจากร้ายมากลายเป็นดีได้นั่น สิ่งที่เราจะมองว่ามองให้เป็นชีวิตในแง่บวกมองให้มีความสุขนั้นขึ้นอยู่ที่จิตใจน่แต่สติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจเราเนี่ยมันดึงกับสิ่งนั้นมาใช้ได้ในภาวะที่รับขัน<ม>เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญหลักๆเนียวิธีการต่างๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการเจริญสติ<ม>ต้องมีสติให้สติมันเจริญจเจริญในจิตใจเรา การจรรยสตินี่เป็นสิ่งที่คิดว่า ง, ง่ายมันง่ายที่ว่ามันทำที่ตัวเรา <Yeah. S 1> จรรติททำที่ตัวเราทำเวลาไหนก็ได้สถานที่ใดก็ได้ yeah. สติสามารถเกิดขึ้นได้เสมอๆจะแต่งชุดสีอะไร <Yeah. S 1> ก็ได้ทั้งนั้นขอ้แต่งตัว <oco> มาก็แล้วกัน จะบวชหรือไม่บวช <Yeah. S 1> เขาปฏิบัติได้เจริสติได้ <Yeah. S 1> จะเป็นคนป่วยคนไข้คนพิการ <Yeah. S 1> หรือมีปัญหาสักเท่าไหร่ก็ตาม <Yeah. S 1> ถ้ายังจิตใจไม่เป็นอะไรไม่เป็นคนที่บ้าเมาสลบหลับเ <laughs> จริญสติได้ทั้งวัน yeah. <Yeah. S 1> ในชีวิตประจำวันก็ทำได้ สามารถทำกับการปฏิบัติงานก็ได้งานที่บ้านงานในที่ทำงานเราสามารถนำอาการเจริญสติมาใช้ได้ภายในยุคจําวันเดี๋ยวฝากธรรมะไว้ที่วัดไว้ที่พระหรือไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่าไว้ที่สถานที่ที่ตัวเราเนี่ยเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถมีสติได้เสมอเสมอ นที่เวลาเรานั่งเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราสามารถฝึกสติได้ทันทีเลยเรานั่งเนี่ยเป็นแค่เรารู้สึกว่านั่งเนี่ยสติเกิดแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วในปัจจุบันนี้เลยนะในแต่ละวันเนี่ยถ้าเรอาอาศัยการนั่งการนอนการยืนการเดินการดื่มการเคี้ยว การก้มเงยแต่งเนื้อแต่งตัวจะประกอบภารกิจอะไรก็ตามให้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากชีวิตปกติเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเติมความรู้สึกลงไปในขณะปัจจุบันนั้น <ļ> <exhibit> ก็เรียกเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันหรือการจิตสติในชีวิตประจาวันแล้วเพียงแค่ เพิ่มความรู้สึกไปทรู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ปฏิบัติแล้วมันต่างกันกับสิ่งที่เราผ่านมาคนที่ไม่ฝึกสติในชีวิตประจําวั น, เ, นเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเคี้ยวเวลาดื่มนะเวลาแต่งหน้าแต่งตัวเวลาพูดเวลาคิด ก็ขาดความรู้สึกตัวนั่นคือสิ่งที่เคยชินที่ผ่านมาแต่เราเติมความเคยชินใหม่ๆ <Yeah. S 1> เพิ่มความรู้สึกตัวไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งหน่วยท่านเองเป็นการปฏิบัติธรรมในยุกจำวันทันทีเลย <Yeah. S 1> หรือเวลาเราคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ตามในใจเนี่ย <Yeah. S 1> เพียงแค่เรามีสติรู้ทันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม เป็นการดูจิดดูใจดูจ่รรไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดเรื่องราวต่างๆเราไม่เคยรู้ตัวเลยนะเราจึงมีการคิดฟุ้งซ่านเตลดเิดเปิดเพงคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำงานแล้วก็ไปนอนคิดต่อที่บ้านก่อนจะหลับก็หลับไม่ได้เพราะมันคิดเยอะ <laughs> <laughs> เพราะเราขาดสติคอยกั้นกระแสของความคิด ที่มันมักมาปรุงแต่งใจโดยที่เราไม่ได้เชื่อเจอแม้จะหยุดคิดพยายามหยุดคิดมันก็ไม่หยุด <laughs> เพราะว่าคิดให้มันหยุดคิด <laughs> เป็นความคิดซ้อนความคิดมันไม่หยุดหรอกถ้ามีสติรู้ทันนัน่นเป็นการตัดกระแสะของความคิดให้หยุด <laughs> แต่ก่อนคิดแล้วไม่ค่อยรู้สึก แต่พอเราฝึกสติแล้วในวิจาวันเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกทันความคิดตัวเองมากยิ่งขึ้นเราต้องสร้างความเคยชินแบบใหม่จากการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งไม่รู้ตัวเปลี่ยนเป็นมารู้ตัวบ้างสร้างความเคยชินที่จะคิด แบบไม่รู้ตัวให้มารู้ตัวไปเราจรึงเป็นคนที่โกรธฟรีไปคิดฟรีไปทุกฟรีฟรีไปเพราะเราขาดสติถ้าขาดสติเนี่ยจะโกรธจะทุกข์จะคิดแล้วก็ตามเพียงมีสติขึ้นมาท่านเองเป็นการเปลี่ยนความเคยชินจากการหลงลืมสติเป็นการมีสติทันทีเวลาเล็กเวลาน้อยมันเผลอมันลืมไปมก็ผ่านไป เราก็เริ่มรู้สึกเอาใหม่ได้มันเผลอไปคิดไปมากเดินไปไม่รู้ตัวเราลึกขึ้นได้แล้วก็มารู้สึกมันก็ได้คะแนนจากการมีสติในการรู้สึกในปัจจุบันนั้นชีวิตจะอยู่ปัจจุบันอยู่เสมอเสมอพอเราหมั่นที่จะใส่ใจที่จะรู้ตัวรู้ตัวนี่ชีวิตปรวันเนี่ยเราสามารถทำได้เลย มีตรงไหนบ้านที่เราทําไม่ได้นอกจากเราหลับคนเมาคนหลับคนสลบคนบ้านคนนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเราพ้นจากภพภูมิตรงนั้นแล้วออกมามีภูมิใหม่ภูมิที่มีความรู้ตัวเติมธาตุรู้ให้มากหน่อยในชีวิตเราเรามีธาตุสีดินน้ําไฟลมก็ยังไม่พอนั่นส่วนร่างกาย เรามีจิตคือมีาธาตุรู้มีาธาตุรู้เราก็จะมีการพัฒนาจิตจากคนที่มีความทุกข์มากมาเป็นทุกข์น้อยจากคนฟุ้งซ่านมากลายเป็นคนสงบจากคนที่ข้อขับที่มั่นถึงมั่นมากลายเป็นคนที่มักจะปล่อยวางรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นการจิตสติเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเลยเห็นที่เนือที่ตัวเราการที่มีดวงตาเห็นธรรมคนที่มีดวงตาเห็นธรรมนั้นไม่ได้เห็นสิ่งอื่นเห็นตัวเราเห็นตัวเราเห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นตัวเรากาลังทากาลังพูดกาลังคิดเนี่ยคือการเห็นธรรม ธรรมะก็คือตัวเราคือเรื่องของกายเลื่อใจเห็นธรรมะเห็นตัวเราแต่เห็นสิ่งอื่นนั้นนอกตัวนั้นไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความหลงเนี่ยปฏิบัติธรรมก็เห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดาเห็นผู้นิจเจ้าเห็นคนที่ตายแล้วมาขอส่วนบุญเห็นเลขเห็นเบอร์มันหลอกลวงงนั้นแหละพอลืมตามันมีจริงไหมเนี่ยของจริงมันต้องมีทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตา หลับตาก็มีได้ลืมตาก็มีได้แต่มีเฉพาะหลับตาเนี่ยมันมันไม่ค่อยปลอดภัยมันต้องลืมตาด้วยถึงจะเห็นเห็นธรรมคือเห็นของจริงลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เรียกตาปัญญาตาปัญญาคือตาในาเห็นได้ทั้งลืมตาหลับตาทั้งที่มืดและก็ที่สว่าง เนี่ยการเห็นธรรมในชีวิตประจำวันสรุปแล้วการปฏิบัตินั้นคือเห็นแค่กายเคลื่อนไหวเห็นใจที่คิดด้วยความรู้สึกตัวนี่เป็นการปฏิบัติธรรมในยุคจำวันแล้วตอนนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องความหลงลืปอมากกว่า เพราะนั้นถ้าจะปฏิ บ, บัติธรรมหรือเจริญสติในชีวิตปะจำวันอย่าสนุกทําแบบไม่เครียดคือต้องทําแบบเล่นๆแบบสบายๆอย่าไปเอาจริงเอาจังได้แค่นั้นก็แค่นั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละคือได้ไอ้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะมันเป็นการปล่อยวางแบบไม่รู้ตัวนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทํำไมเราต้องได้ด้วยไม่ได้มันจะเป็นไรไหมโกรธใจ อือดเลยนะทำให้มันสนุกทำสบายๆแบบผ่อนคลายเล่นๆใจมันจะไม่เครียดใจจะไม่เครียดแน่บางคนก็ทำแล้วก็ทำหน้าตาเคร่งเครียดไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติกิเลยอนะ่ะเก็บกดต้องทำคนปฏิบัติธรรมเนี่ยหน้าตาต้องผ่องใสเยี่ยมแจม่มใสสบายๆ ยังไงก็ได้นแต่รู้สึกตัวกันแล้วกันน่าเราต้องผ่องใสมาเก็ปล่อยวางไม่ใช่เป็นคนเก็บกด <c oughs> วันเดียบธรรมไม่มีการเก็บกดนะมีแต่การปล่อยวางแบบผ่อนคลายธรรมะไม่ใช่เฉลี่งความยึดมั่นถึงมั่นธรรมะป็เรื่องการที่จะปล่อยวางที่ <c oughs> บอกว่ามีดวงตาหเห็นธรรมไม่ใช่ดีดวงตาเพื่อจะไปเอาธรรมไปเอาธรรมเราไปแบกธรรมะไว้ ต้องไปเห็นเห็นแล้วก็รู้ความจริงโอ้นั่นอันนี้จังทุกขังอน้าตานะไปเห็นจริงจะไม่ยึดมั่นถึงมันจึงจะปล่อยวางได้นั้นให้ทําแบบเล่นๆทําแบบผ่อนคลายสบายๆสนุกสนุ ก, นกอย่าได้ไปคาดหวังอะไรให้รู้สึกตัวรู้แบบเฉยๆรู้สบายๆแบบผ่อนคลายรู้เบาๆรู้แบบดูๆ แล้วจิตมันจะเป็นกลางไปเงให้รู้ให้ต่อเนื่องให้มีปัจจุบันนั่งคือการมีสติการมีสติต้องมีปัจจุบันถ้าขาดสติเราก็ไม่อยู่ในปัจจุบันทุกครั้งถ้าสติเกิดปับ๊บเราจะรู้ตัวปัจจุบันจะเกิดขนนึ้นทันทีจะเทียบดูได้ว่าเราจะมีสติหรือไม่ก็ดูตรงนี้ปัจจุบันถ้าไม่รู้ปัจจุบันไม่ใช่สติเป็นของคู่กันปัจจุบันต้องมีสติ พ้ะก า, าสติก็จะไม่มีปัจจุบันอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบนอกรูปแบบในชีวิตประจำวันทำได้ทุกที่เรามักจะเกิดปัญหาว่า เ, เวลาเราในชีวิตประจาวันเนี่ยเรามักจะเผลอบ่อยลืมบ่อยหลงไปนานคิดมากสติไม่ค่อยเกิดเคยเป็นอย่างนั้นไหม นั่นเป็นเพราะว่าจิตเราไม่มีกำลังหลงมากลืมนานคิดเยอะก็เพราะว่าจิตไม่มีกำลังหลไปกับความคิดหลไปกับอารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสรอบตัวเราเพราะจิตเรายังไม่มีกำลังยังขาดสติอยู่มันจึงไปคิดเยอะวิธีการแก้ไขก็คือ ทำให้จิตมีกําลังนะทีคือกําลังสติถ้าจิตมีกําลังสติเนี่ยมันจะเกิดกําลังใจด้วยนะใช่ไหม <c oughs> จิตใจเกิอนเดียวกันกําลังใจเกิดกับเกิดจากใจที่มีสติถ้ากาดสติกําลังใจไม่เกิดสติเรียกสติพละ <c oughs> สติมีกําลังอยากให้จิตใจเรามีกําลังไหม อยากให้เวลาชุบจำมันเนี่ยสติเกิดบ่อยๆัยหมไม่หลงเลยเอาไหมไหนใครเคยใครไม่ไม่หลงเลยมั้ย <c oughs> ว่าหลงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นหลงแล้วเรากลับมารู้สึกได้ <c oughs> วิธีการที่จะให้ ในชีวิตจำวันเนี่ยสติก็สติก็ขึ้นบ่อยๆ <Yeah. S 1> คือต้องอาศัยรูปแบบมากต้องมีรูปแบบนะต้องมีรูปแบบในการฝึกต้องมีแบบฝึก <Yeah. S 1> รูปแบบเนี่ยช่วยทำให้สติมันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ต่อเนื่องแล้วทำให้จิตมันมีพลังแล้ว <Yeah. S 1> ทำให้เกิดปัญญาด้วยถ้าสติไม่ค่อยเกิดปัญญาก็ไม่เกิดสติไม่มาปัญญาไม่เกิดถ้าสติมา ปัญญาก็าจะเกิดตามจะ ต, ต้องมีสติที่มีกําลังจะต้องอาศัยรูปแบบในการปฏิบัติอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่พระคุณเจ้าได้สอนนั่นแหละคือรูปแบบต่างๆในการปฏิบัติการยกมือสิีจังหวะการเดินจงกรมการทำในยโยบะ ต, ต่างๆเนี้ยนี่คือรูปแบบมันช่วยทําให้จิตเนี่ยมันมีสติมาก่ขึ้นมีกําลังมากยิ่งขึ้น ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยฝึกในรูปแบบบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถนาเอารูปแบบที่มีสติเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างสอดคล้องกันเลยฝึกในรูปแบบบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ค่อยได้หลงหลงก็หลงน้อยถึงหลงเมื่อไหร่เราก็รู้มนั้นมันเกื้อกูลกัน ทั้งในรูปแบบแล้วนอกรูปแบบต้องฝึกสำคัญทั้งคู่นะในชิวจมวันมีสติอันนี้ก็มีประโยชน์นอกเหนือจากการทำชิวจมวันเป็นรูปแบบอันนี้ก็มีประโยชน์ต้องเกื้อกูลกั น, กนทั้งสองอย่างไม่มีสิ่งใดที่หนึ่งที่ถูกด้านเดียวต้องทั้งสองด้านมันจึงจะเกื้อกูล ก, กันให้เป็นประโยชน์รูปแบบการจิสติอย่างที่พระคุณเจ้าได้แนะนา สิจังหวะนั้นก็ง่ายๆเพีเยงแต่เรียนรู้วิธีการนิดหน่อยเท่านั้นเราก็จะเข้าใจวางจิตวางใจใถูกต้องมันดีที่ว่าไม่ต้องหลับตา <c oughs> ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรไม่ต้องใช้บริกรรมอะไรในจิตใจไม่ต้องใช้ความคิดคำบริกรรมก็คือความคิดแต่นี้ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำบริกรรม ใช่แค่เปลี่ยนแค่รู้สึกตัวให้รู้สึกขอเป็นแค่มีรู้สึกเ <c oughs> ช่นเวลาเราอยู่ในยาบทนั่งเนี่ยบางเนี่ยการรู้สึกเนี่ยเทคนิค ง, ง่ายๆ <c oughs> พอเราพลิกเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้สึกท่านเองยกพลิกรู้สึก ยกมือขึ้นมารู้สึกมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการรู้สึกเท่านั้นเองอ่ะการปฏิบัติให้รู้ทีละขณนะขณนะคือรู้ทีละหนึ่งพลิกมือรู้สึกเนี่ยยกมือรู้สึกทีละหนึ่งทีละหนึ่ง ท, ลงทีละขณนะขณนะการ เคลื่อนไหวเป็นเหตุรู้สึกเป็นผลก็จบแค่นั้นตอนนั้นไม่ใช่การเคลื่อนไหวเป็นเหตุรู้สึกเป็นผลจบเป็นผลอยู่แล้วในตัวเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวต้องมีเหตุคือเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเป็นผลตอนนั้นไม่ใช่เวลาจิตมันคิดเป็นเหตุสติ รู้สึกก็เป็นผลนั่นแหละคือผลเกิดขึ้นตรงนั้นนะอย่าไปรอผลไกลตัวผลขึ้นในขณ ะ, ะที่จเจริญเหตุขึ้นมาสร้างเหตุขึ้นมาแล้วมีผลรู้สึกนี่เรียกเป็นอากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการทำเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นสร้างเหตุเมื่อไหร่ผลเกิดขึ้นเมื่อนั้นให้รู้ทีละหนึ่ง <S <S อ่า เคลื่อนแล้วก็รู้สึกเคลื่อนแล้วก็รู้สึกเวลาเคลื่อนแล้วก็มีความรู้สึกท่านเองทำอย่างนี้ให้ต่อนเนื่องเรื่อยๆสิีจังหวะมันก็เกิดผลเท่าไหร่ต้องเยอะต้องสิบสี่หลงลืมไปแล้วก็รู้สึกเอาใหม่เป็น เ, เป็นผลดีอะในตัวสะสมตรงนี้บ่อยๆเนี่ย เราจะรู้ว่าสติเราจะเกิดง่ายขึ้นจะหลงไม่นานเดี๋ยวสติก็มาทันเรามักจะมองว่าทําตรงนี้เห็นมันได้เลยเลยไม่เห็นทุกมันดับอะไรไม่นิพพานเลยเพราะเรามองไกลตัวเกินไปผลเกิดขึปัจจุบันเราไม่ได้มองสังเกต ด, ดูเราเป็นมองไกลตัว mm hmm. การปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราสร้างเหตุเท่านั้นเองปฏิบัติธรรมเป็การสร้างเหตุ การสร้างเหตุนะ่ะไม่ต้องไปหวังผลเลยถ้าหวังผลไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติกิเลสปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างเหตุและผลก็จะเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติกิเลสแล้วก็เหตุก็ไม่ต้าจะเอาแต่ผลใช <c oughs> ่ไหมเวลาเราทำงานเนี่ยกจะดูวเวลาทางานเนี่ยการทำงานเนี่ยเป็นการสร้างเหตุมันก็จบอยู่แค่นั้น แต่เรามักจะรอผลของงานมันจะได้เท่าไหร่มันจะเสร็จไวไหม <c ười> ใครจะมาชมบ้างใครจะเราจะได้ตาแหน่งอะไรบ้างขณะกำลังสร้างเหตุอยู่นะสติไม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่ผลว่าจะได้อะไรบ้างความสุขขณะที่สร้างเหตุนั้นเราข้ามไปแล้วไปรอความสุขจากการได้รับผล ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เราข้ามในการสร้างเหตุที่จะมีความสุขในการที่กำลังสร้างกันมาแล้วเราปล่อยใช้อยู่อนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นไปหวังกในอนาคเราไม่ได้สร้างเหตุนนะเราเป็นการสร้างผลละ่ะเราไม่ได้ทำที่เหตุเราไม่ได้ทำงานแต่เราทำเงินทำตาแหน่งทำชื่อเสียงซึ่งมันมันยังไม่ได้ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเงินตำแหน่งชื่อเสียงความโศกจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากเหตุที่เรากระทําก่อน mm hmm. นั่นคือส่วนของผล mm hmm. เกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนบ้านมันจะเกิดอ่ะถ้าเหตุถูกต้องผลมันก็ถูกต้องเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ mm hmm. นั้นการฝึกสติเนี่ยการปฏิบัติธรรมนั่นคือการสร้างเหตุและไม่ต้องคาดหวังในผลนะ่ะผลมันจะเกิดขึ้นเอง หวังเรือไม่หวังถ้าสร้างเหตุถูกต้องผลก็เกิดได้แต่การหวังนั้นเป็นกา ร, ารก็เลยกิเลสสร้างสร้างสร้างผลขึ้นมาธรรมะสร้างเหตุกิเลสสร้างผลนั้นอยากจะทํางานอย่างมีความสุขก็คือการสร้างเหตุการทําหน้าที่ด้วยสติเนีย่ยมันจะมีความสุขแหละและผลก็จะเกิดขึ้นตามมาจะเข้าใจไหม ในรูปแบบของการปฏิบัติคือการสร้างเหตุขึ้นมาโดยการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกในการเคลื่อนไหวมันก็เป็นผลในตัวอยู่แค่นี้แหละสรุปแล้วการเจริญสติก็มีอยู่สองอย่างคือกายเคลื่อนไหวและใจรู้สึกนอนนั้นไม่ใช่ บคิดสติรู้เท่าเองมันนั้นไม่ใช่ทำแค่นั้นอย่างอื่นไป็นแ่สิ่งแปลกปลอมส่วนเกินการเห็นธรรมก็เห็นตรงเนี้เห็นกลายที่มันเคลื่อ น, นและก็มีสติรู้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังพูดอะไรกาลังคิดอะไรนี่คือการเห็นธรรมบาเห็นตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปเราจะชัดเจนมาก่างขึ้น จะเรียนรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นผลต่างๆที่เราปฏิบัติแล้วมีความทุกข์ใช้ชีวิตแล้วมีความทุกข์เรามัแก้โทษสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกแต่ทุกข์เพราะกิเลส ใ, ในใจเราใช่ไหมข้างนอกไม่ทำให้เราทุกข์เลยข้างนอกเป็นเรื่องของธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตายความคิดหรือความผิดหวังต่างๆฝนจะตกฟ้าจะร้องนินจะไหวต่างๆบ้านเมืองเป็นยังไงมันเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องธรรมดานะที่ไหนก็มีอย่างเงี้ยความป่วยไข่ต่างๆอธรรมดาแต่ที่เป็นทุกข์ว่ใจเราเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้ความจริง ปัญหาไม่สิ่งภายนอกอยู่ที่ใจเรากิเลสในใจเราซึ่งไม่พอใจในสิ่งนั้นเป็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจเราปัญหามันเกิดขึ้นในใจเราเพราะว่ากิเลสอยู่ในจิตในใจเราเป็นตัวก่อปัญหามันต้องมีสติรู้ทันถ้ามีสติรู้ทันกิเลสในใจเราเมื่อไหร่มันก็หมดปัญหา มันก็หยุดที่จ ะ, จะเจริเติบโตมันไม่แพร่เชื้อถ้ารู้ทันกิเลสในใจเราเนี่ยมันหยุดเลยอยู่ดังนั้นมันไม่แพร่เชื้อไอ้ที่พอรู้แล้วมันยังคิดยังไรอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังรู้ไม่ทันเรายังเข้าไปในความคิดกิเลสต่างๆมาจากความคิดดังนั้นถ้าไม่คิดกิเลสมันไม่ขึ้นเพราะเราคิดความคิดเนี่ยมันก็มีความชอบใจไม่ชอบใจก็พาเอาโลภตุสะโมหะ พอเราหลงขาดสติคนมีสติจะไม่หลงสติรู้ทันจึงก็จะขาดไปทันทีเราเคยโกรธแล้วเรารู้ไหมว่าเราโกรธบางทีรู้ว่าโกรธแต่ความโกรธไม่ดับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เห็นความโกรธเราเข้าอยู่ในความโกรธเลยก็คิดปรุงแต่งแต่ได้เห็นว่าโอ้นี่ จิตมันโกรธนี่ยมันหยุดเลยเป็นเป็นห้ามล้อชั้นดีเลยนะเป็นเบรกเลยเบรกความคิดมันหยุดได้ด้วยกัแค่รู้ทันถ้ารู้ทันแสดงว่าเราเห็นความคิดแต่ถ้ารู้ว่าโกรธรู้ว่าคิดก็อยู่ในความคิดอยู่ในความโกรธมันก็ยังไม่รู้ทันถ้ารู้ทันโอนี่จิตมันโกรธนี่นี่คือการเห็นแหละไม่่โอ้นี่เรากาลังโกรธถ้าเรากําลังโกรธ เราเข้าอยู่ในความโกรธแต่เห็นมันโกรธโอ้นี่จิตมันโกรธนี่เราก็าออกจากความโกรธ <c oughs> นั้นการฝึกสติบ่อยๆเนี่ยฝึกบ่อยๆเนี่ยจิตจะมีกําลังจะกลายเป็นผู้เห็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นกับสิ่งที่เราดูเราเห็นเป็นผู้เห็นความโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธนะนั้นฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจ ะ, จะเจริญ เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตจะรู้ทันจิตใจเราเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เกิดจากสิ่งภายนอกเกิดจากใจเราเพราะว่าเราขาดสติขาดปัญญาที่รู้ทันจิตทันใจเราอันนี้คือตัวปัญหานะปัญหาทั้งหลาย เราจะแก้ขไขด้วยการมีสติรู้ทัน <Yeah. S 1> การเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเ้าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันได้ตลอดเวลา <Yeah. S 1> ปัญหาสารพัดจะถูกแก้ไขได้นั้นเราต้องมีสติรู้ทันนสติ ที่เราจะเลยขึ้นมาเนี่ยเป็นทั้งกันเป็นทั้งแก้ปัญหาถ้าใครมีปัญหาชีวิตแล้วไม่มีวิธีการแก้ไขลองนึกถึงสติจะพบทางออกของปัญหาแล้วเราต้องให้ความสำคัญตรงนี้มากๆนะฝึกซะแต่บัดนี้ฝึกบ่อยๆ อ, อายุยังน้อย ความทุกยังน้อยปัญหายังน้อยเนี่ยปึกได้ดีมากเลยอย่ารอตอนวิกฤตแล้วค่อยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมันสวยนะว่าจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพอชีวิตมันอยู่กับวิกฤตแล้วเนี่ยบางทีมันหมดโอกาสก็มีนะตายก่อนยังมีเลยอย่ารอวิกฤตแล้วจึงจะ เปลี่ยนเป็นโอกาสบางทีมันหมดโอกาสตรงนั้นมียศดทําบางคนเนี่ยอาศัยวิกฤตเป็นโอกาสได้นอยู่ตัวอย่างกันเช่นว่าปวดเขา่าปวดหลังเนียยศดิถามคนปวดหลังปวดเขา่าแต่ไม่ค่อยมีสติ คนที่ปวดหลังปวดเขาเนี่ยมันทำไมจึงปวดหไหมทำไมมันมีปวดหลังเออก็เพราะเรามีหลังใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่มีหลังไม่ปวดหลังอะถ้าเรามีงวงมีงาแล้วเราไม่ปวด <c oughs> คนที่มีหลังก็ต้องปวดหลังคนมีงวงมีงาก็ต้องปวดงวงปวดงานคนมีของจริงถูกขโมยของ <c oughs> นั้นธรรมดานะ มันปวดหลังปวดกลับเรื่องธรรมดาอย่าไปอย่าไปเครียดกับมันไอการปวดดูยดีเถอะมันสอนให้เรามีสติได้ถ้ารู้จักเปลี่ยนเป็นโอกาสเช่นเราปวดหลังเนี่ยเราขยับตัวไปจับอะไรปะจะรู้สึกปวดทันทีเลยใช่ไหมบางที่เรา ท, ทําด้วยความเคยชินนะเราลืมไปลืมในการเคลื่อนไหวหตัวเราเราเคยใช้แบบปกติแต่เวลาปวดเนี่ยเราลืมไปว่าต้องแท้ปกติ ไปหยิบไปฉวยไปเอื้อมมันปวดขึ้นมาทันทีเลยสักระยะหนึ่งมันจะรู้ว่าอ๋อสติจะเกิดแล้วก่อนจะเอื้อมจะหยิบเนี่ยสติจะรู้แล้วต้องทําค่อยๆทําชิญชาบางทีมันสอนนะเนี่ยในการจะค่อยได้ป่วยเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดว่าเราแย่มพวกเราไม่มีประโยชน์เลยเอามาเรียนรู้เลยเอามาสอนเอามาฝึกสติเลยมันเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่เราฝึกสติได้จเจริญจิตเจริญใจได้ เราตอนนี้ยังไม่ปวดหลังยังไม่ปวดเขา่าไม่ปวดศรีรษะไม่เวลาเราฝึกไว้ก่อนถึงเวลาเนี่ยมันมันใช้ได้ไม่ต้องรอให้เจ็บนานๆไม่ต้องรอวิกฤตและเปิดโอกาสเ <c oughs> นี่ยวิกฤตแค่ป่วยไข้เราไปรอตรงนั้นให้เปิดโอกาสที่จ ะ, จะเจริญสติเนี่ยบางทีมันไม่ทันแล้วยิ่งต้องพิการแบบนี้เนี่ยิการคุณวิระแบบผมเนี่ย เป็นวิกฤตของชีวิตถ้าไปเปลี่ยนโรโกาบางทีมันไม่ได้ใจมันไม่ยอมเปิด โ, โรกาเพอร่างกายพิการใจมันก็ทุกข์เลยกันร่างกายป่วยไข้ใจก็ทุกข์อย่าไปรอตรงนั้ น, น, น, นมันจะลำบากมันจะแย่อย่างผมนี่กว่าจะฟื้นจิตวิญญาณไม่ได้นี่โอ้ลำบากมากต้องทนทุกข์ทรมานต้งสิบหกปีกับความพิการจนนึกคิดไม่ได้โอ้ ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญสติแบกวิกฤตมันต้องส6กปีจึงเห็นโอกาสเพราะธรรมะช่วยให้ปฏิบัติธรรมจะรอตรงนันไหม <c oughs> <c oughs> บางทีมดโอกาสนะเนี่ยตายไปก่อนก็มีแล้วยิ่งตอนใกล้จะตายเนี่ยโอ้เป็นวิกฤตครั้งสุดท้ายนะ ประสบการณ์ครั้งสุดท้ายชีวิตนะคือใกล้จะตายเนี่ย <Okay. S 1> จะไปรอให้คนใกล้ตัวบอกมีสตินะพุโทโธหนะ้ามิสนะีรออย่าไปรอตรงนั้นเนี่ย <Okay. S 1> บางทีมันนึกไม่ได้หรอกพอคนใกล้จะตายในจิตเนี่ยไม่สงบแล้วฟุ้งซ่านแล้วแสวงหาพบจะไปเกิดไปไรดีจะมีช่องทางจะไปเกิดเขาบ้างไหม <laughs> อย่าไปรอตรงนั้นบางทีหมดโอกาสบางที ถ้าเผลอสติไม่เกิดแล้วก็จะลงสู่ทุ ก, กติฝึกเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรหรอกถึงเ ว, เวลาเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยสติมันจะเกิดมันช่วยเป็นโอกาสของสติขึ้นมาช่วยเพราะเราทำอยู่เสมอเสมอยิ่งเฉพาะตอนใกล้ตายเนี่ยคนเราหนี้พราะเรื่องการตายฝึกเอาไว้ พอใกล้ตายบางทีเรานึกอะไรไม่ได้สติมันเกิดขึ้นตอนนั้นได้เหมือนกันก็เป็นศึกชิงพบเป็นประสบการณ์สุดท้ายถ้าสติเกิดเมื่อไหร่ล้วก็เรามีโอกาสที่จะไปสู่สุคติได้นะในตอนใกล้ตายพอตอนใกล้จะตายในจิตจะฟุ้งซ่านห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงตัวเองห่วงว่าจะเกิดเป็นอะไร แล้วจิตใจจะเหงาหง อ, อยเศร้าว้าวเวถ้ามีสติเป็นเพื่อนแล้วก็มันทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั้นฝึกไว้ก่อนอย่าไปรอโอกาสตอนนั้นฝึกสติเอาไว้เรื่อยๆฝึกให้ตายซะก่อนตายฝึกให้ตายซะก่อนตายคือฝึกยังไงคือปล่อยวางความยึดติดว่าไอ กายจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเราซะก่อนไอ้ความยึดมั่นมันตายไปซะก่อนที่ร่างกายมันจะตายจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าตายก่อนตายนัเป็นนิพพานนะนิพพานไม้ก่อนจะตายเลยนิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายท่านอาจารย์ผู้ท่าพูดเอาไว้ฝึกให้ตายซะก่อนตายคือตายจากความยึดมั่นถือมันว่ากายจิตเป็นเราซะก่อนที่กายจิตมันจะแตกทําลายไปเรียกตายก่อนตายเรามีโอกาสแล้ว ฝ <Yeah. S 2> ึกไว้ตอนนี้ถ้าตอนนี้มันยังไม่ตายก่อนตายลมหายใจสุดท้าย <Yeah. S 2> อาจจะตายก่อนตายก็ได้เนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เราสามารถทำได้อย่าไปรอนะอย่าไปรอเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส <Yeah. S 1> เราฉวยโอกาสก่อนที่จะเกิดวิกฤตไปเลยดีกว่าเนาะมันง่ายกว่ากัน yeah. เอาแล้วนะก็อกวมาสมควรเก็เวลาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดงานและก็ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกๆ ท, ท่านที่ได้เสดสละเวลามาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัตริรมก็ขออวยพรให้กับทุกๆ ท, ท่านเนี่ยมีความเจริญมีความผาสุกมีสติปัญญา ชีวิตมีแต่ความสุขความทุกข์น้อยลงขอให้สิ้นทุกข์ก่อนสิ้นลมนะในการทุกข์านทุกคนเถิดขอบคุณอาจารย์กำพลทองบนนุ่มมากค่ะในระหว่างนี้มีท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ไหมคะอาจารย์ครับพอดีของผมเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเห็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นเรื่องที่คิดแต่ตอนที่กําลังคิดเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามันไปไปไปคิดต่อเนื่องเนี่ยมันจะบางครั้งมันจะกลับมารู้สึกที่กายว่ากายมันเริ่มมีสิ่งผิดปกติตั้นแต่กลับมารู้ว่าเออเมื่อกี้เนี่ยหลกไปคิดแล้วแล้วพอยกมือเนี่ยพอยกไปบ่อยๆเนี่ยมันมันชินไปแล้วพอชินไปแล้วนี่มันก็ยกตามปกติของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าใจเนี่ย มันก็จะไปแบบมันมันไ ม, ไม่ได้มีสติกับที่ยกมือจริงครับเราต้องเขาเรียกเจตนาหน่อยใส่ใจหน่อยมันต้องมีเจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็เจตนารู้สึกนี่คือความเพียรถ้าเราไม่เจตนามันก็ต่อไปมันก็จะเป็นความเคยชินมันจะเป็นอัตโนมัติไปก็ขาดสติก็ได้แค่กำลังกำลังกายได้แต่ขาดกาลังสติ เจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้ต้องเติมตรงนี้หน่อยหนึ่งเขาเรียกเติมกําลังให้มันหน่อยเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่รู้อันนี้คือสติและเป็นความเพียรด้วยใหม่ๆตัว อ, อย่างนี้ไม่งั้นจิตมันจะถูกความคิดพาไปเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้นะทำตรงนี้ก่อนทำช้าๆอย่าทําเร็วทําเร็วเกินไปเนี่ยมันจะมันจะมันจ ะ, นจะตัวนมัติไปเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึก ใหม่ๆเหมือนอยากคล้ายๆกับเป็นการเพ่งแต่เราไม่คิดว่าเพ่งเขาเรียกเป็นตัวเจตนาเจตนาคือการมีสตินั่นเองลองทําใหม่นะเจตนาขึ้นไหวใหสะะ่จิรู้ทั้งนี้บ่อยๆบ่ๆเข้าแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีจังหวะของการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดการจิตติแบบขึ้นไหวต้อมีการเคลื่อนให้รู้สึก หยุดก็รู้สึกเคลื่อนหยุดอย่างเงี้ยมันจะตัดจังหวะปัดจังหวะของการเป็นอัตโนมัติไปได้ก็คือช่วงแรกให้ทำํำชา้าๆแล้วก็ให้รู้สึกเฉพาะ<อ>ตอนแรกว่าร่างกายหยุดอยู่แล้วก็พอเคลื่อนก็ให้รู้สึกว่าร่างกายกําลังเคลื่อนอยู่ครแล้วทีนี้ก็ทำํำช้าๆว่าตอนนี้หยุดอยู่กับเคลื่อนอยู่รู้สองอย่างตัวนี้พอจะได้ไหมครับครับถูกต้องครับให้เป็นจังหวะเขาเรียกการเจริญสติทำแบบเรียกทําจังหวะสิบสีจังหวะ คือเคลื่อนหยุดเป็นจังหวะหนึง่งเคลื่อนหยุดเป็นจังหวะหนึง่งเคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกถ้ามันไม่รู้ตรงเคลื่อนมารู้ตรงหยุดก็ได้ทาบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้ทั้งเคลื่อนรู้ทั้งหยุดจิตมันจะเก็บรายละเอียดไปเองอย่าเป็นเร่งทําบาสบายๆไปก่อนแล้วต่อไปก็มันจะเป็นอะไรเป็นความเคยชินที่จะรู้ ที่จะรู้สึกมากกว่าการคิดนึกเราลังสร้างความวุ่งมั่นแบบใหม่โดยใส่เจตนาธรรมและเจตนารู้เป็นความเพียรอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเป็นเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งนั้นแล้วถ้าถ้าร่างกายมนุษยสึกว่าที่ระหว่างหน้าผากมนันรู้สึกแบบตึงๆเครียดๆเนี่ยหมายเขาว่าเราเราเพ่งมากเกินไปใช่ไหมครับครับเราตั้งใจเกินไป เราตั้งใจเกินไปเราไม่ทำแบบแบบผ่อนคลายแบบเล่นเล่นสนุกสนุกเราตั้งใจเกินไปก็เครียดใช่เวลาเราดูเราดูดูฟุตบอลเราตั้งใจดูเนี่ยจะเครียดเลยแต่เวลาทีวีมาโฆษณาว่าเออผ่อนคลายดูแบบดูโฆษณาทีวีครับคื อ, อตอนนี้ยังยังหาจุดสมดุลของตัวเองก็คือถ้าถ้าผ่อนไปเนี่ยมันมันจะหลงแต่ถ้ามากไปเนี่ย มันมันจะมารู้สึกที่กายใช่ครับนั่นแหละเราจะเห็นสวิงทั้งสองด้านซ้ายอ๋อนี่มันมันหย่อนไปอันนี้ตึงไปดีเราจะเห็นตัวกลางไปเองเนี่ยมันต้องมีสิ่งตัวเนี้ยให้เรารู้ว่าอ๋อนี่มันตึงนะอันนี้มันหย่อนนะโอ้กลางกลางมันอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครบอกเราได้ประสบการณ์ที่เราทําเนี่ยเราสามารถบอกน้ําหนักตรงนี้ได้อแล้วเราจะวัดตัวเองได้ไงว่าว่าว่าเรามีการบ พัฒนาขึ้นมาหน่อนึ่งหรือว่ายังอยู่ที่เดิมหรือว่าแบบแบบยิ่งทํายิ่งยิ่งหลงไปใหญ่หรือว่ายังไงครับออถ้าเราทํำแล้วสบายๆทาแล้วมีความรู้สึกที่สบายสบายผ่อนคลายไม่ตึงเครียดอย่างเงี้ยถือว่าเราถืกว่าเราทําถูกต้องแหละทําแล้วมันผ่อนคลายขึ้นและมันไม่เครียดถือว่าเราทํามีการพัฒนาขึ้นถ้าเรายังตึงยังเกรงอยู่แล้วว่าเรายัง ยังทําไม่ถูกต้องก็ทํำบ่อยๆไปก่อนเถอะให้มันเกิดประสบการณ์เราจะรู้เองว่าอ๋อตรงนี้มันสบายเนี่ยอ๋อตรงนี้มันเกลียดเนี่ยแต่ถ้าถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเอพอเหมือนมีร่างกายขยับเนี่ยแล้วมันมันไม่มีความรู้สึกว่ามันมันจึ๊กขึ้นมาแบบเหมือนอะไรสักอย่างที่มันจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันมันบอกบอกอะไรได้มั้งครับว่าเราเราเผลอหรือว่าเราขาดสติอะไรหรือเปล่าครับเรารู้ไหม รู้เขาว่ามันมันมีเหมือนเหมือนมันแบบว่ามีอะไรขยับขึ้นมาครับเให้การจิตตินี่นะสาคัญอยู่ที่เรารู้ทันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สําคัญเท่าการเข้าไปรู้ทันสั้นๆแล้วก็จบในหลักคือใช้ได้นะนิดหน่อยนิดหน่อยถ้ารู้ทันว่าอ๋อนี่มันมีการขยับใช้ได้ละสั้นๆดับแล้วแล้วก็รู้ทันเอาใหม่รู้ทันเอาใหม่ อย่าให้ความสําคัญของสิ่งภายนอกให้บ้กว่าการรู้ทันสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าเราเรายู้อยู่รู้อยู่ข้างหลังใช่ไหมครัว่าเหมือนเหมือนมันห่างนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันแบบเป็นเหมือนเป็นตัวเราหมายความว่าเราเรารวมกับมันไปเลยใช่ไหมครับโอ้ถูกต้องนี่พัฒนาแล้วเนี่ยเท่ากับแยกกายแยกกิจิลูมนามเลยนให้รู้แบบเป็นผู้ดูรู้แบบเป็นผู้ดูมันมันจะแค่แวบเดียวแค่นี้มันมันไม่แล้วตอนนั้นมันก็จะเป็นแบบ มามาคิดเลยว่าเมื่อกี้อะไรทําอะไรไปแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคือมันมาจะมาะมุ่งตรงนี้มากกว่าที่จะไปแบบว่าเป็นถอยออกมาครับก็สั้นนิดเดียวจิตเราเนี่ยมันเกิดดับไวามากน้ําไม่ทันสั้นนิดเดียวเนี่ยสั้นนิดเดียวนะระหว่างการฟังกับที่เราคิดเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเราคิดว่าเราฟังด้วยคิดด้วยแต่เปล่าไอ้จนฟังคือฟังอย่าไม่คิดส่วนคิดไม่ได้ฟังนะ มันสั้นทีเดียวเนั้นให้รู้สัน้นๆ่างนี้แหละคลิปปัจจุบันขณะรู้สั้นแล้วก็ทิ้งแล้วก็รู้ใหม่ทิ้งแล้วก็รู้ใหม่อย่าไปกังวลว่าเออเมื่อกี้เรารู้หรือเปล่านั่นเราดึงอดีตขึ้นมาแล้วให้รู้ทันว่าเอ้านี่เราสงสัยว่าเรารู้หรือเปล่าอันนี้คือปัจจุบันให้รู้ต่อเลยซ้อนไปเลยซ้อนไปเลยเอารู้สึกซ้อนไปเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ มีท่านไหนต้องการแลกเปลี่ยนไหมคะแชร์กับเพื่อนๆ น, <laughs> นี่แส่งว่ามีสภาวะแล้วเนี่ยคนที่าัาแเรามีสภาวะแต่คนไม่ถามก็มีนะ <m uch> อาจจะไม่ต้องถามอาจจะเข้าใจาแล้วก็ได้ <laughs> อาจจะประเด็นเดียวกันกับพี่ผู <laughs> ้ชายก็เลยอ่ะโอเคคี้ผู้ชายไปนี่ทํากี่ <laughs> ครั้งไหมเนี่ยครั้งแรกหรือเปล่เนี่ยอ้เ <laughs> นี่ได้แค่นี้ก็จะได้นะพัฒนาแล้วแล้วแล้ผู้ที่ ทำแล้วเริ่มมีปัญหาเริ่มรู้สึกแต่ว่าเริ่มมีสภาวะที่จะที่จะเข้าถึงละเพราะเรารู้จักปัญหาบนาะงทีนุโมทราบุญใช่ไหม <c oughs> ออเนี่ยนุโมตนานุโมธนา <c oughs> ถามเลยนะ <c oughs> อาจารย์มาถึงนี้แล้วนะคะอย่าเก็บความสงสัยกลับไปเลยจะได้คลี่คายกันตรงนี้เลยอาค่ะกอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ที่บอกว่าทุกว่าสิบหกปีแล้วพ้นจากทุกได้เนี่ยอาการพ้นจากทุกมันเป็นยังไงแล้วทําให้เราทราบได้ว่าเราพ้นจากทุกแล้วครับสิบหกปี นี่คือการเลื่อต้นพิการแล้วถึงสิบหกปีใวยุนี้ยไม่เคยเลยกนสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบคน้นคว้าชอบเป็นผู้รู้ชอบรู้ี่รู้ธรรมแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมมันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันรู้แค่ความคิดเอาก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ใจก็ยังฟุ้งซ่านยังเครียดยังไม่มีความสุขอยู่เวลามีอารมณ์มากระทบปั๊บยังจิตใจ ย, ยังขุน ยังซ่อมมองอยู่อันนี้การรู้ทำก็แค่รู้สิ่งที่กค่นอกลอกยังไม่รู้จักตัวเราตัวทำแท้จริงคือตัวกายตัวใจรู้แต่ตามตำร า, ากระดับทุกไม่ได้สิบหกปีนะอ่านตำล า, ม, ามีพื้นฐานของธรรมะแต่ยังไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าถึงปีที่สิบหกเนี่ยตอนนี้พิการมาสามสิบสามปี ปีที่สิบหกเนี่ยก็เลยคิดว่าถึงรู้อย่างนี้จนตายล้วก็คงจะไม่พ้นทุกพ้นได้แค่ชั่วคราว<ม>ก็เลยมาฝึกสเสนอสติเนี่ยฝึกจิตแบบเคลื่อนไหวหลักสติปัฏฐานสี่ภูจ้าตัดเอาไว้วิธีการจิตแบบเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนเป็นผู้ที่นำเอาหลักการมาเป็นวิธีการผมก็จำวิธีการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียน มาใช้กับตัวเองแต่อาศัยเทคนิคของหลวงพ่อคําเขียนเทคนิคในการเจริญสติในการวางจิตวางใจวางใจยังไงคือวางใจเป็นผู้ดูมีสติเป็นผู้ดูดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกดูความคิดปรุงแตง่งดูกิเลสปรุงแตง่งเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นผู้เป็นจริงนั้นเนี่ยเจริญสติบ่อย ทำบ่อยๆทำต่อเนื่องนะวันหนึ่งเนี่ยผมเจ็ดแปดชั่วโมงนะนอนทำนอนพลิกมือเล่นมนันไปไหนไม่ได้ไม่มีงานทําว่างงานแต่ใจไม่ว่างใจมันฟุ้งซ่านเลยหาสติมาทําให้ใจมันเป็นปกติหน่อยฝึกสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยแต่ละวันแต่ละวันก็นอนอยู่บนเตียงนอนปฏิบัตินอนพลิกมือเล่นเน่ยเมื่อก่อนผมยกมือสตรีจังหวะไม่ได้หรอกมือไม่มีกําลัง เดี๋ยนี้ยกได้พอเริ่มมีกําลังก็นอนพลิกมือมือซ้ายมือขวาเวละมีมือขวาข้างเดียวที่จะพลิกได้สะดวกก็นอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวมือแล้วก็รู้สึกเป็นปัจจุบันพลิกมือรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าเมื่อมาทางซ้ายรู้สึกให้รู้สึกเวลาที่เราเคลื่อนไหวอมันก็สนุกนะเราเราทําแบบแม่คาดหวังทําแบบคนที่ไม่มีหวังเลยนะ วันห่งเมีหวังแต่เราไม่มีหวังแล้วก็นอนทําแบบสบายๆจิตมันก็รู้สึกมันก็ผ่อนคลายให้มันสนุกเราก็ใช้ชีวิตจำบันการพลิกตัวรู้สึกนพลิกซ้ายก็รู้สึกพลิกขวาก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกอีริยาบถในชีวิตจําวันแม้แต่จะมีน้อยมีแค่นอนกับนั่งยืนเดินไม่ได้ก็ใสายาบทนอนกับนั่งแล้วเคลื่อนไหวได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเติมความรู้สึกรู้สึกไม่ได้เคลื่อนไหวพฟรีฟ เตืนความรู้สึกเป็นปัจจุบันก็สนุกกับการเจรสติเป็นความเพียนวันหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงก็คือหลับแล้วกันแล้วไปตื่นมาก็รู้สึกเอาใหม่ยิ่งทําบ่อยๆเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันตรงข้ามกับอะไรไม่ตอบเดี๋ยวผมเดินลงนะ ความเออชื่ อ, อไรนะนี่บูทางไปนิพพานแล้วเนี่ยความรู้ตัวเนี่ยมันตรงข้าว่าความหลงลืมตัวพวกเราหลงลืมตัวไม่รู้สึกตัวเราพอหลงลืมตัวมันก็หลงไปคิดอเลยทําไมถึงต้องเป็นเราเราไม่น่าเลยเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงมันหลงไปคิดนั่นคือหลงลืมตัวแต่พีความรู้สึกตัวมากขึ้นโดยการฝึกสติเนี่ย พอรู Ask, ้ قال, สึกตัวมากขึ้นมันก็ยูนเหนือความหลงลืมตัวความหลงตัวในมีน้อยลงรู้สึกตัวมากขึ้นรู้สึกตัวคือรู้จักตัวเราเองโอ้นี่รู้จักตัวเราเองเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูกายที่มันพิการไม่ได้เป็นผู้พิการนี่มันลาออกจากความพิการตรงมาเป็นผู้ดูกวามพิการ ล, ลาออกจากความพิการดูกายเคลื่อนไหว แล้วเป็นผู้ดูความคิดที่มันปรุงแต่งโอ้ยความคิดเนี่ยมันเป็นตัวก่อปัญหาความคิดมันปลูกโยวงว่ากายเป็นเราความพิการเป็นเราตัวเรามีอยู่เพราะความคิดกิดเลสต่างๆก็มาจากความคิดพอ ม, มีสติรู้ทันความคิดความคิดมันก็ล้มละลายสติรู้ทันความคิด ความคิดลมหลายโอ้ความคิดเนี่ยเราหลงไป่านมันมาต้องนานเราเห็นมันซะมันก็ไม่คิดเป็นปรุงแต่งแบบนั้นแต่มันคิดในทางที่ว่าโอ้นี่มันหลอกคิดไปทางที่แก้ปัญหาชีวิตทั้งๆไม่ได้คิดไปทางที่เศร้าหมองคิดไปทางที่มีความสุขแต่เราก็ไม่เอามาทั้งความคิดที่ดีและไม่ดีมันคือความคิดมันหายตัวออกมาใจความคิดหายตัวมาจากกายพิการ ทุกไม่มีที่ตั้งทุกมันตั้งอยู่ที่กายที่จิตถ้าเราไม่ยึดมั่นกาจิตจะเป็นเราซะไม่มีตัวเราในความพิการไม่มีตัวเราในความคิดมันหายตัวการเจรติเนี่ยเป็นวิชาหายตัวนะครับอัตตาณิทิยึดมั่นถึงว่าเป็นตัวเป็นตนสักกายทิ ท, ทิหมายถึงอ๋อนี่มันสักแต่ว่า แต่อัตตาลุธิฏิมันถอนความยึดมั่นตัวว่าเป็นตัวตนพระอหันรละอัตตานุทิฏิพระสโสดาบันละสักกายลุธิฏิจะเรียกเป็นอะไรถ้าเป็นก็ยังมีตัวนะไม่ต้องเป็นอะไรหรอกไม่ต้องเป็นอะไรทุกไม่มีก็แล้วเ ป, เป็นคนที่ไม่มีทุกก็พอแนละ้วเตระติก็เพื่อตัวเนี้ย การปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่อเป็นอาหารหันต์แต่เพื่อมันไม่มีทุกข์ก็พอแล้วเป็นนึ่งเป็นนี่บางทีก็เป็นทุกข์นะถ้าเราเป็นไม่เป็นแล้ต้องเป็นไรเป็นคนไม่ทุกข์ก็พอแล้วแล้วเรื่องความสุขมนุษพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานหรือความสุขโดยสมมุติอยากได้ไหม่าฝึกสติไปก่อน นสติพาปัญญามาพาใจพ้นทุกข์ได้ถามที่เดียวนะตอบสยาวนะเพื่อป้องกันคำถามตอบไหม